ศัพท์ที่แปลว่าความภูมิสร้างอัจจะอัจจะนั้นเป็นที่ <c oughs> ก็แปลกันมาแล้วอุทังแปลว่าอะไรครับลองๆๆนึกนะว่าอุทังแปลเช่นอุทังก็โสโตุอุทังคมาวายูอุทังแปลว่าขึ้นข้าง <c oughs> ฟุ้งอุ่นฟุ้งขับรถไปบนถนนที่ไม่ได้อะไรไม่ได้ลาดยางฟุ้งฟุ้ง เวลาเค้าจุดลูกหนูจุดอะไรบึ้มขึ้นมาข้างบนอ่ะจุดลุเรามองคน 2 คนผม 2 ชั่วโมงวันนี้ 15 นาทีพุงมั้ย อีกคนนึงพูดแค่สิงห์นทีระบกปุงไม่แค่ว่าพูดอาจจะกันแล้วบางทีก็อาจจะพูดตามมาด้วยกันแต่ว่าคนนึงระบกคนนี้ปุงอีกคนนึงไม่ปุงกันนะเพราะ <c oughs> ความคิดวิเคราะห์เรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้ตรงนี้น่ะผมเคยได้ยินคนเค้าต่อว่าคนนะว่าคนเนี้ยเขียนหนังสือเยอะผมก็ไป มันเรื่องอะไรต่างๆที่เขียนทั้งอะไรพวกนี้น่ะแต่ผมก็ แล้วก็ต้องมองหาในมุมต่างๆหลายอย่างพุงไม่ครับบางครั้งก็อาจจะนั่งทําสมาธิตีปัญหาบางอย่างพุงไม่แต่ถ้าเกิดผมจะนอนแล้วบอกได้เวลา คือพอแล้วลุยอยู่ๆผมหมดเวลาพูดแล้วออกจากบ้านยังงมออกนี่นี่นั่งนั่งเลยผมไปพูดไปบนบนรถประจำทางอะไรๆ ถึงจะเป็นเรื่องเดียวกันมันต่างกันตรงไหนเล่าตัวเรื่องไม่ต่างกันนะ นะประโยชน์ต่างๆก็เป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์นั้นไม่มีดูลู่หมายอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็เอ่อไม่เพลินไป <c oughs> คิดทะกิดโมหาแล้วไม่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยนะเช่นเราเหมือนคนเมารู้สึกเราคิดอะไรไป แล้วก็ไม่มีความผิดหวังให้เสียใจในความคิดนั้นถูกมั้ยอย่าง ผมพยายามยกประสบการณ์เนี่ยมันมันตรงๆกันบ้างหรือเปล่านะแสดงว่าเข้าใจถ้ามันมีอะไรรูปเนี่ยมันเหมือนสมหวังไอ้ความ กุศลก็มีเมื่อยมราชจะแสดงธรรมแก่คนเมาที่คิดนึกคิดนี้เรื่อยเปื่อยแล้วท่านก็แทรกไอ้ความกุศลเข้า ถูกรถชนตายหายเมาเลยครับทําไมล่ะครับนึกถึงลูกเขานึกถึงลูกเขาแทน ทำให้ไอ้ตัวโลภะไอ้ตัวโมหะอุตัจจะนี่กําลังทํางานอยู่หยุดทํางานแล้วไอ้ความรู้สึกอื่นมันแทรกออกมามาสําคัญกับ เราปล่อยปละอย่างนี้เป็นต้นเลยลูกเค้าจะเหมือนเด็กคนนี้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ มันเป็นไสเดือนเป็นเกิงกี่ที่มันมาก็อยู่กับโมหามหจิตถ้าเป็นส่วนใหญ่นะอยู่สภาพอย่างนี้มาว่าแจ็คสัน <c oughs> จากเมืองไทยด้วยความประทับใจมันก็คงจะเจอมันนะก็อย่างนี้ฮะไอ้ชีวิต <_ d ata> ที่เขาเสียอกเหน้ใจกันตัวบังตัวเมืองก็ ตรงกับสภาวะตรงนี้เพคะว่า 1 อัญญานุเบกขาอุเบกขา ลักษณะไม่เหมือนกันบุคลิกอาการต่างๆจะไม่เหมือนกันเลยจะเอาคนบยาอ่อนมาเทียบ มีอุเบกขาอย่างโง่ถ้ามันมันโง่ของมันหมายความว่ามันไม่ไม่ได้รู้สาอะไรเลยเนี่ยฮะสลอมจะมองจะตั้งปัญหาหาทาง ใครเข้ามาหลอกมามาชิงมาแย่งปีไหนกรรมเปลี่ยน แมมันเจอไอ้สนามฝนตกมันยังนอนกลางปุ๊บเนี่ยมุ่งหม่องดํามานี่นะบางทีเออถ้าอย่างนั้นคนก็ยกไอ้ตัวนี้ จะเฉยอย่างคนบ้ามันก็ไม่มีถ้าถามจริงจะๆอ่ะแต่ผมผมเป็นเป็น ขอแต่ว่าทุกข์อย่างไม่บ้าดีกว่าครับแต่ว่าเราต้องเทียบเป็นขอเป็นขอบ้าแล้วขอมาเป็นทุกข์อย่างคนบ้าไอ้ไอ้ <c oughs> แต่ว่าเมื่อเทียบกับคนที่รู้แล้วเป็นทุกข์กว่าคนที่ นะจะมีความทุกข์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นกับดีกว่า มันถูกกว่าได้ดีกว่านะไอ้นี้หมายความว่าได้คุณสัมภาษณ์อย่างอื่นเพราะหลายเพราะคนที่เป็นอย่างนี้เราอย่าไป แล้วมันก็เป็นอันยังไงก็จะมีโอกาสทําให้ชีวิตเฟื่องมันก็เนี่ยมึงว่าพอเรา น่ะเหมือนกันมากหลายเรื่องอันว่าอุฏฐัจจะนั้นเป็นความลอยตัวของความคิดของความนึกคิดเป็นความปั่นป่วนบางความวอก เรียกว่าอุตังอุตตัจจะก็มีข้อหนึ่งที่อยากจะ 5 พอตรัส อิสิจะตรัสคู่กับอุกุจจังเป็นอุฏฐัจจะกุกุจจังไม่สลัดว่าอุฏฐัจจะเจลเฉยอุฏฐัจจะกับกุกุจจะนั้นเป็นตัวเดียวกันหรือ เดือดร้อนใจด้วยความกังวลใจแต่อุทัจจังทําเป็นความวุ่งสร้างทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงปรากฏ <c oughs> โทสะก็มีแล้วก็อุทธัจจะในโมหะก็มีที่อุทธัจจะนั้นโดยประมาณวางตัว ในโลภะเนี่ยมันมีความคิดเราไอ้มันมีอุทธัจจะอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันไม่เป็นไม่ไม่ โลภะน่ะบางครั้งแสดงตัวชัดบางครั้งแสดงตัวไม่ชัดที่แสดงตัวชัดก็เช่นว่าเมื่อเราไปต่างประเทศแล้วคิดถึงบ้านคิดถึง มึงดีก็เลยลามไปคิดถึงคนทําแกงที่ นะว่ามันงูติดมันปวดมันเมื่อยมันร้อนแล้วก็เลยคิดไปอย่างงูอย่างนี้สารพัดเป็นความคิดฟุ้งซ่านที่อยู่ในโกสะที่ที่ อยู่ใน 3 กลุ่มนี้ทีนี้ที่มาพูดคู่กับกุฏกุฏจะที่แปลว่าความเดือดร้อนใจ กังวลจริงๆมันไกลอุทธัจจะมากคิดกังวลมันก็มีอุทธัจจะด้วยแต่ว่าบางทีมันก็มันมีกําลังมากกว่าอุทธัจจะอุทธัจจะก็มันโจมเสิร์มคิด จะพูดชื่อให้บวกกิจจะต่อมันเป็นกุกกุฏจะกุทธอันนี้เป็น <c oughs> แล้วก็กิจจานหมายถึงการกระทํามาลงก็เป็นกุกกุจจ์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยน กว่าในการก่อนก็ดีใดไปกระทําความผิดไว้ในการก่อน เป็นกังวลเป็นเสียใจเป็นความผิดขึ้นนั่นไอ้เนี่ยกว่าที่จริงในทางวาทศิลป์เองขั้นตกกําหนดความใช้ในความหมายว่าเอาเป็นความรู้ อาการเสียใจน่ะเป็นกุกุจจะ 4 บางทีไอ้คําว่าเสียใจเราไปถ้าน่าจะใช้คําแปลให้เหมาะแต่ คือปางบตุสสลายเอ่อกลุ่มกุจาคือความเสียใจนั้นจะแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะแปลกันว่าความเดือดร้อนใจ นะความเดือดร้อนที่ประชุมฟังธรรมที่ 1 ที่ 1 ท่านแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีท่านผู้แปล แต่ก็ไม่รู้จะให้แปลว่าไงคนความเบียดใจไอ้มันได้จริงๆแล้วเค้าแปลเนี่ยผิดแต่ว่าคําแปลนี้ไม่คุ้น อยู่ในจริงได้ความว่าขอบเครือเดียวกันการที่มาใช้คู่กันเนี่ย แต่ถ้าหากว่าตัวโลภะก็เป็นโมหะอุตตจาก็เกิดตัวคืออยู่ๆก็ฟุ้งเป็นนิพพานข้อนั้นมั้ยเป็นแต่ๆ ก็เป็นเต็มข้า นิวรฟร์มแบบนMakeYour เรื่องของอุทธาจ SPian ต่อไปโมหะด่วงที่หนึ่ง defend морっ preserveィ閉 haw คือที่ชื่อ 워모หาวิธีจารก ที่扬ำกอบก็คือว้ων alcance.ท Europeans ส婚 despite god분ed the suicide hizgari ofaris. of peace. วิธิธีจาร์ 라는ก Johann Sabu. もし disgrunt vousائح ser un temple a килda神. Cosult and to make great ascendant. Id Save the whole video a higherülpid. เดี๋ม asthma 그래서 น <c oughs> <c oughs> โมหะที่ประกอบพร้อมด้วยความสงสัยเอาเมื่อวิจิกิจฉาเราแปลเอา วิจีนะมันหมายถึงการตัดสินใจอ่ะการตัดสินยากหรือ ทำมีความชั่วย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นบุรุษคนชีวิตของผู้แต่นี่คือลูกกรรม อันวิจิกิจฉาคือสิ่งหมายถึงกิเลสที่ทําให้เป็นเหตุแห่งการเป็นคือ <c oughs> อันนี้ก็ผมพูดทั้งเหตุทั้งผลว่าวิถีกิจาหนะมันเป็นตัวที่เอ่อเกิดจากการมีนิสัยไม่ได้คือไม่มีปัญญามาก่อนที่ที่เราเขียนเหตุของ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหตุทําให้วิริจฉาเกิดคือไม่ 1 คือไม่ได้รับความเกื้อ ที่ทําให้วิญญาณเกิดคําเมื่อวิญญาณเกิดก็ได้รับการ ได้สะดักสังมาแล้วก็เกิดในวิธีถามเลื่อน เป็นอันมากหลายประการด้วยกันอันมากหลายประการด้วยกันเพราะเวลานึกตัดพ้อต่อว่าพระพุทธเจ้าหรือนึกขัดแย้งบ้างนี่ เอาล่ะนิวรรณ์ข้อนี้มาอ้างว่าใครที่มีวิกิจญาณทั้งกี่เหล็ดต้องไม่สงสัยหมายความว่าเอาท่านให้เชื่อ เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนงเรื่องนี้จึงต้องว่าเราถอยกลับมาพูดถึงคําว่าสงสัยความสงสัย สภาวะหมายถึงสภาวะของความนึกคิดกับโดยอารมณ์คือ เป็นการหลังก็ดีเป็นการขณะปัจจุบันก็ดีหลังก็ดีเป็นการขณะปัจจุบันก็ๆเพื่อให้โน้ตเร็วแล้วก็ใน<ผม> เป็นบาปที่เป็นบุญนั้นท่านไม่ได้เรียกในภาษาธรรมะไม่ได้เรียกว่าความสงสัยมันไม่เรียก ดูหยาดๆแล้วเหมือนใครๆมันจะเป็นอีดีจ้ะ เป็นสิ่งดีมั้ยทําให้เราเกิดความเสียไม่ทําให้เราเกิดเอ่อสภาวะจิตที่เป็นโมหะมั้ยเวลาเราเรียนธรรมะมีเค้าเรียนธรรมะแล้วไม่สงสัยเลยมีมั้ยครับไม่ เมื่อความสงสัยอย่างนี้ที่เราพูดที่อตากถานี้ยังอัพเป็นและเป็นสิ่งที่ควรและพระ อย่างเช่นพระตาลีบุดาษอย่างเช่นแม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตั้งเป็นอุปกรณ์ของปัญญาอย่างหนึ่งดีเป็นอุปกรณ์ของปัญญาอย่างหนึ่ง <c oughs> ตัวบาปนั้นก็คืออย่างที่เรากําลังที่เรียกว่าเป็นบาปมีไอ้ที่เป็น สภาพจิตตอนนั้นจะมีอาการเื่อนลอยและคอเป็นอ่าเจตคีระไอ้ส่วนสงสัย เชื่อกับผู้ที่มีตอตําจิตทําให้ไม่บรรลุ มันตัวนี้กลายเป็นม่านของการประพฤติธรรมหรือเรียกกันว่าเป็นเกโตวินิพันธะคือเป็นเครื่องหรือผูกมัด โดยในแง่ของสภาวะทางความรู้สึกของผู้ที่สงสัย ได้จากความสงสัยคือคิดหนีฮะคือมันไม่รักษาเราเรียนอะไรเราสงสัยเนี่ยเราไม่ทิ้งเป้า เขาไปได้ตำราศาสตร์พิฤทธิ์ธรรมชาติว่าเป็นคัมภีร์โบราณได้มาราชบัตรแล้วเขาก็ติดเขเข 2 ปีกว่าแล้วก็เป็น เค้าก็ไอ้คนจากผมเนี่ยเค้าก็ได้พอได้ฟังเลยโทรไปหานี้หมอก็มาเล่านี้แหละไม่ลุกลับ พอได้คัมภีร์เล่มนี้ความประคุณเค้าเปลี่ยนมนต์มาก่อนเคยกินเหล้าเมายาเที่ยวเตร่สําเร็จเนี่ยมา 2 ปีกว่าแล้วเพื่อศึกษาคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยเป็นคัมภีร์ลับมา 2 รายแล้วแม้ 2 รายจะไม่ถ่ายเอกสาร จะให้เราแปลอังกฤษเล่นแล้วจะไปให้ใครดูก็ไม่ได้แล้วเอาต้นฉบับคืนมาให้เรา มันเป็นพลังทําให้เค้าต้องไปขวนขวายเช่น ผมยกโดยอย่างว่าท่านมาเรียนธรรมะแล้วท่านเกิดสงสัยอยู่ 2 อย่าง 1ๆไปแล้วสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีจริงเหรอ มันไม่มีจริงหรอกแต่อีกคนนึงมีจริงโดยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเรา แต่ทำไมถึงเรียกว่าตัววิทยาคือมันเหมือนลังเลล่ะก็ต้องบอกว่าได้อันนี้ กว่าตัววิธีฉายที่คงจะต้องขอให้ท่านสํารวจตัวเองหน่อยนิดนึงว่าเคยผมว่านี้หรือไม่ผมเมื่อผม แนวน้อมมันไปเอียงเอียงไปในลักษณะทำลายตัวเราทำลายไม่อยากทํามันนึกเหียดนิดตัดสินใจไป มันควรเกิดการตัดสินใจว่าไม่ควรวินิจฉัยคือทิ้งเลยไม่ เป็นจิตในลักษณะที่ซ่อนเงียบเป็นจิตซ่อนเงียบทุกข์คลื่นทุกอย่างนั้นตกหมดหุบ ทำให้ไคว่แคว่ทําให้หมดพลังเพื่อทําให้ยึดหัวเรือ ไปทําพอไปสู่ฝั่งอื่นบ้างถ้าตรงนี้เนี่ยไม่ชัดนักเนี่ยจะอ้างว่า แต่ว่าที่ท่านนางพอสงสัยน่ะพุทธะสงสัยในว่าธรรมก่อนเนี่ยท่านเป็นนัก ก็จะได้เห็นน่ะแต่ว่าถ้าคนเคยปฏิบัติพวกพญาปาทานิวร ไอ้กรรมอาจารย์พระนิรวณ์ประยาบางทีมันยังทําให้ใจยังมีพลังนะผมยังรู้สึก 5 เนี่ยมันมีแบ่งเป็นอาการแล้วมัน ไม่ลับนกคือไอ้ 3 ตัวกามฉันทะพยาบาทะแล้วก็อีกตัวกับกุกกุจจะอันนี้ แต่ว่าวิริจิจฉากับผีนาเนี่ยถ้าถามว่าอะไรนอนจ้ะเรา แค่โรคภัยใกล้เจ็บในระหว่างนั้นมันก็ง่วงครับแต่ง่วงอย่างนี้เรารู้ทันเลย จำมีธาตุเดียวจะนั้นถ้าเราเป็นวิปัสสนาจารย์เราก็นะคนถูก กรรมชันษาลุกเล้าจนกระทั่งไปทําอะไรไม่ดีไม่ชอบสึกหาลาเปรตไปยังนะไปฆ่าก็ตายเลยไม่ใช่เฉพาะทิ้งวัตรณา ไม่ใช่ไปมองอันตรายที่เกิดขึ้นกองรอบข้างเวลาเรามองโทษเนี่ย โดยอารมณ์ว่ามันเกิดความรู้สึกท้อแท้ท้อถอยที่เรียกว่าลังเลคุณท่านนี่ผมต้อง จึงทําให้พฤติกรรมและความตัดสินใจของเรานั้นมี นั่นหลายมาตามให้แม่หญิงน่ะเราคิดดูก็จะเห็นน่ะเพราะว่ามันมีไอ้กุศลจิต มันไม่ได้ลังเลที่จะทําให้เราทอดทิ้งสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นลักษณะลังเลหรือจะพูดอีกทีว่าไอ้ ความมุ่งไปเนี่ยเกิดการชนะนั้นอ่าก็อธิบายตรงมุมนั้นได้ อย่างอื่นมีสังเตมโลกทําให้ไม่กล่าวถึงอย 8 อย่างนั้น คือตัวสภาวะน่ะมันตัวเดียวมีอย่างเดียวตัวเดียว ผมอยากในแต่ประการนี้เราเช่นความเลื่อมใสความเชื่อความเชื่อความเลื่อมใสใน พูดได้ไงอย่างเช่นว่าที่บ้านอาจจะมีขยายรูปว่า นะสติปัญญาหรือความเข้าถึงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเด้อครับที่เกิดขึ้น ก็รู้ไม่ว่าอาจารย์น้องเด็กผู้ไปอาจารย์ตกเนี่ยให้กันแม่กับลูกทําไมไม่ลูกเอาพระพุทธเจ้าก็ได้ สีมหามายาให้อยู่เหนือและใหญ่กว่ารูปของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เฉพาะควรจะเป็นว่าเรานับถือพระดีๆ หลวงพ่ออัศนานที่กติกันแน่ๆว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าแล้วทําไม 20 ชั้นคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตรุ่นหนึ่ง ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็ต้องว่าคนเราเนี่ยเราจะนับถืออะไรเชื่ออะไรที่สงสัยอะไรต้องเป็นอง อง, อง 100 องค์ดี สิบเท่าเราก็นับถือไม่ได้เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันใคร แทงทะลุธรรมแล้วเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยการในทางปฏิปัญญาแล้วถึงเราจะพูดว่าเรื่องใสยังไงก็ไม่ แต่คนที่แทงตลอดอย่างแท้จริงแล้วเป็นพระพุทธก็เป็นอันเดียวกับพระธรรมพระธรรมก็เป็น ปรานาคุณของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นคุณของพระพุทธว่าพระ ซึ่งคําเหล่านั้นมันมีอยู่จริงไปสู่บุคคลอื่นอันนั้นเป็นพระความเหมาะ ในทางเป็นไปได้แต่ละคนทางเป็นไปได้สิกขาบทเอ่อสิกขาบทที่ปรากฏในข้อ 4 นั้นคําว่าไตร คำว่าศึกษาสิกขาปฏิบัติไม่ได้หมายถึงทฤษฎีอย่างเช่นศีล ตรีภพใส่คําว่าบทเข้ามาแปลว่าบท ที่เราสมาทานจากพระวปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาทิยามิอะริยนาธานา 1 1 ของสิกขานั่นน่ะเรียกว่าสิกขาบทศีลข้อ 1 1 เป็นบท ก็เลยเอาความว่าตัวศีลถ้าเป็นศีลพระก็ 227 แล้วก็ศีล 5 เนี่ยเป็นศึกษาบทเพราะเป็นสิ่งที่ เป็นบาทรับศีขาข้อสูงๆขึ้นไปขึ้นไปนี้เรียกว่า การก่อนก่อนก่อนเนี่ยหมายถึงก่อนที่เค้าจะเข้ามาถึงธรรมขณะหลังที่จักเค้าถึงธรรมแล้วคือหลังจากเข้ามาเริ่มสายแล้วบวชแล้วอะไรแล้วก็ต่างปฏิบัติแล้วต่างแล้วก็ขณะมาถึง มีศรัทธาเปื้อนปาหะนํามาแต่ฟังธรรมก็มีศรัทธาก่อนเสียมันก็หมดเกิน ก็จะมีสถาอย่างอื่นจะมีสัตย์อย่างอื่นแต่ราวไปสงสัยสงสัยก็ผู้สงสัยก็ทําอะไรก็ตามเนี่ยที่สิ่งมลทินที่ ภูมิเหลียนามังคละไม้คาลสมัยตมาคาลงเลยท่านท่านนี่ก็สงสัยไปเรียนแน่ๆเราเลิกเหรอเลยเลิกเลยสิ้นประดา <_ S 1> <อก> เราศรัทธาญาณสัมยุททําให้คนพูดมาพูดเรื่องผุ้งผือง่ายๆดีๆทุกๆก็เลยย้ายศรัทธาไปรับอารมณ์ใหม่ ที่น่ะเราแนะนําเค้าได้เลยแต่ว่าคนเราอย่างเดียวเราก็เอาตัวเรามา นี่ก็เหมือนกับเป็นแม่หมมเรียกว่าแม่หมมของธรรมะเนี่ยครับความสมบูรณ์ เรามาพูดถึงในทุจพระธรรมสงฆ์ที่เป็นศรัทธาก่อนบวชถ้าเป็นพระผู้บวชที่มัก เหลือให้ปรากฏเป็นรูปของการปฏิบัติก็ตามคนจะศรัทธาจริงๆน่ะต้องอย่างคู่กันไอ้ตัวไหนมาก่อนในเรื่องเห็นเห็นตัวนี่อย่างเฉยแต่พอแสดงเหตุผลหลักศาสนาศรัทธาแล้วก็มาดูปฏิบัติเอ๊ะไปด้วยกันก็ เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชักนําเข้ามานะฮะซึ่งแต่ละคนอาจจะคือบางคนบางคนเนี่ยเค้าเรียกว่าๆหรือเปล่าแสดงว่าคุณชอบ นึกว่าก็ใช่ธรรมะทําให้อย่างงงอย่างนี้ก็แล้ว องค์ฆมวยคุณของอะไรคุณก็ได้ที่มันไม่เป็นหนามะให้มันไม่เป็นกันๆเนี่ยชอบ พิสูจน์ได้เลยค้านยังไงก็แก้หลุดหมดครับเพราะนี้ใครมา คนพลภาษาห่าเนี่ยพวกสงฆ์กับพวกที่เค้ามีธรรมะสุดยอดนะเค้าไม่เรียกเลยครับไปแล้วก็กลายเป็นคู่ๆกลางๆก็แล้วแต่ เลี้ยงตะพุธไปโกงไปหลอกเค้าไม่เชื่อยังเรียกยังไม่กว่าคนนะเห็นอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเห็นไอ้ น้อยรถมันเสียแทนที่มึงมาขอโทษให้เจ้าบ้านก็ นะหมูดีต้องมายกมือว่าขอโทษครับลูกพี่นะรถมันเสียครับน้ํามันมันหมดยางแตกแล้วก็วาไปไอ้คนพวกนี้เป็นอย่างอ่าทีนี้ว่าต่อว่าพอเริ่ม <c oughs> ทำอนาคตให้เป็นปัจจุบันการบวชนั้นอะไรเป็นเครื่องบอกว่าผู้ นี่คือศีลขาบททีนี้พอเราสวมอาภรณ์ในทางเมื่อเกิดรักษาศีลแล้วเอาอย่าว่าเราเนี่ยสมาทานศีลแล้วรักษาศีลแล้วตามคําชักชวนบอก พระทั้งหลายนับตั้งแต่เราฆ่าสัตว์เมื่อก่อนเรานะ เย็นว่าฉันสั่งว่าในกรณีโทรมาแล้วก็บอกว่าไม่อยู่ถ้าไม่จะบอกว่าฉันอยู่นายๆเมื่อก่อนกินเหล้าเองเดี๋ยวนี้ไม่กินเหล้า พอลังเลหนักๆเข้าเลยอาจจะต้องเปลี่ยนศาสนาไปก็เป็นได้อีกเหมือนกันแล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องอย่าง เป็นไปตามองค์เกิดบางชีวิตเกิดมาก็เพื่อให้เฒ่าค่าบางชีวิตเออมันก็มันก็ทําให้เปลี่ยนศาสนาถ้าบวชเนี่ยครับนี่ก็เหมือนกันใครที่ เอาเอาภาระนี้แล้วก็ไปบวชกันแล้วมันมีไอ้ข้อขัดข้อเรื่อง แล้วมันจํากัดตัวเองอยู่ทําไมนะอย่างเราบางทีรักษาศีรษะ 8 อย่างคุณนังยังเหม่อเลยยังเหม่อลนหารักษาอยอย 8 ทําไมนะบางที 8 ก็ได้ไปเห็นคนอื่นก็กินนั่งนอนท้องเต้าโอจะรักษา 8 ทําไม ละมันก็คิดไปต่างๆจะคิดมันก็คิดไปต่างๆซึ่งจริงๆเรานี่นะผมเห็น ได้ภิสูจน์มาหลายเรื่องถึงจะยังไม่ครบทุกเรื่องแล้วก็ถึงจะไม่ถึงกั้นสูงส่งนะแต่ว่าได้ภิสูจน์ๆถ้าเราทิ้งธรรมคือธรรมะ ของเราโดยเฉพาะลูกผู้ชายนะเอาเป็นว่าลูก 231 ของภิกษุณีศีลพวกนี้น่ะถ้าไม่ได้ นั้นยังไงก็เราก็ยังท่องเที่ยวมากันอีกนานแล้วก็ท่องนะเวลาน่ะบอกแม้ท่านแม้ฉันเนี่ยพบพระนะก็ นี่นี่ก็ปู่เล่นๆไว้งั้นแหละเดี๋ยวจะมาหาอวยุกให้เกิดมาณกันตรงนี่คือสงสัยในคุณสมบัติของ แต่สงสัยในเรื่องอื่นเนี่ยบางทีมันสงสัยแล้วมันบางคนก็สงสัยได้คิด ความดีต่อไปแต่ว่าความดีน่ะบางทีเราก็นึกแค่ว่ามันแค่อ่ามันแค่ไม่ทําความชั่วแล้วมันพอแต่ คณะเราเรียนทําขั้นปริญญาปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งๆมั่นคง ในระดับนั้นนั้นระดับอันใดที่สูงก็ความมั่นคงนั้นๆน่าจะวันนี้ก็มั่นคงชีวิต หมายถึงชีวิตหรือพูดเป็นภาษาอริยสัจก็คือทุกข์สมุ มันก็ต้องมีอารมณ์ใช่มะเป็นตัวไต่มีใครบ้างที่ไปดึงอารมณ์ ไอ้จะมาดนดันๆพูดไปโปรดเป็นปัจจัยอย่างน้องอารมณ์อยากอารมณ์ละเอียดอารมณ์ที่เราได้อารมณ์บางอย่างเนี่ยเราฉลาดนะมันก็โง่หนักคนหลับตา มีคนงงไว้อ่านได้อ่านเอามนต์พรไม่แล้วพ่อแม่บอกควรมนต์บางไม่สวดแล้วไม่เวลานึงอ่านหนังสือไปทําสมาธิไปเอ่อหมายถึงอ่านหนังสือบางบางปรมาอาติเวลาสอบ อ่าเนี่ยทําไมถึงเป็นอย่างนี้มันมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์มีอารมณ์อารมณ์ละเอียดกับเนี่ยโดยปกติอย่างเช่นอดีตชาติว่าชาติก่อนมีมั้ย ชาตินี้เป็นอย่างไรเพราะชาติก่อนทําไรนั้นเทียบด้วยกับสมุทัยตัณหาตัณหา อย่างเราทําบุญขั้นกามเนี่ยก็ทําด้วยกามตัณหามันก็เป็นสมุทัยที่สําสาไว้แล้วนี่จะทําความดีตามความชั่วปัญหาเป็นสาเหตุทําให้เรามามีชีวิตที่ เป็นภูมิก็ก็อยู่ระดับหนึ่งมันทั้งหมดเรานี่เกี่ยวหมดสงเคราะห์เป็นทุกขสมุทัยแล้วก็ชีวิต เรเรเรเรเราก็แสวงหามรรคแสวงหาปฏิปทาทําให้มันดีขึ้นไปอย่างน่าถึงมรรคขั้น บุญที่ก่อพาลมเอ่อคุณเครื่องยังปัญญาให้ ที่ไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรก็ทําให้เราเกิดความสงสัยพอของของโมหะเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทํา มันไม่ถึงกระสิดแต่ว่ามันก็ดูเฉาๆจริงๆครับกลัวนะฮะ <c oughs> แล้วถามแล้วสมมุติว่าถ้าเราเป็นอย่างมีความรู้สึกนี้เนี่ยโหๆนะจะเห็นไอ้นู่นกับมืออ่อนที่อ่อนแหนเนี่ย ตินปฏิจจานาก็เป็นแต่ทีมกระบวนการของอริยสัจ 4 อดีตการ 3 ก็ปฏิจจา เป็นเรื่องหลักๆของชีวิตส่วนหนึ่งเป็นองค์กรของทางศาสนา มันก็หมดแล้วครับก็แล้วครับจะไปทําอะไรและเป็นเหตุให้เกิดความเจริญในธรรมแต่ถ้าถามว่าแล้วยังมีอารมณ์ เช่นอ่าเรื่องของฌาน 8 อย่างที่จะ ในเวลาที่เราขอพรแก่ตัวเองอธิษฐานขอแก่ตัวเองให้พรแก่ผู้อื่นเนี่ยนอก ขอหลวงพ่อใส่ให้อีกตัวได้มั้ยอ่ะของี้บอกหลวงพ่อตกไปตัวนึงบอกไม่ได้หรอกเอาแค่นั้นพอนะเอ่อธนาวตโกโยมมีเจริญในเงินขอให้ว่าต่อที่ทําให้หวั่นไหวผมกล่าวนี้ ที่อ้างถึงโมหะเป็นอุเบกขานะเพราะถูกวิถีฐาทําคือไอ้มันปราลภอารมณ์ ที่เสียคล้ายๆเรามองคนหวังคนหนึ่งมองในแง่ของทัศนะคติที่ถูกต้องดีงามอีกคน อีกคนหนึ่งมองสิ่งดีด้วยสัทธนคติที่